ท่าสาวัชนโวตบริสัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพ บ, บกันกับเรื่องขมอห้อสดบันดิตที่กำลังจะถูกแข่งแกล้งเขาวก่อนมาจบลงที่เพื่นนางเพรีปริภาชิกาถามบรราชาวาว่าเวลาที่มีเสื้อสมุดจะมาจับกิน ถ้าจะให้ใครก่อนคนแรกคือพระราจิชนนีเพราะว่าเป็นคนมากมากในกามาคุณคนที่สองคือพระนางจันทานันทาเทวีพระมะเหสีเพราะมีจิตโลกมากมีความทะเยอะทะอยานคนนี้ก็มาคุยกันต่อไปเพราะว่าเจ้าจนานท์ช่วงที่โทษพองคนเหล่านั้น เป็นคนคน ไ, ไปเป็นคนคนไปว่าพระอนุชาของเข้าไปเจ้าก็ชอบดูหมิ่งเข้าไปเจ้าเห็นไหมนะเจอย่าญาณีทุกอย่างลูกหลานที่รักจําไม่นะว่ามันมีของไม่ดีโดยที่ชอบพูดเสมอว่าบ้านเมืองที่จเจริญขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะเขาเขาเพราะเขาเข้าไปเจ้าเป็นราชารุนได้ก็เพราะเขา นีการท่านนองตนประมายคนอื่นเป็นไผ่วาจานี่เป็นของสําคัญให้ลูกหลานที่รักทั้งหลายสมมติว่าลูกหลานที่รักเป็นคนอยู่ใต้ผระบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งเวลาที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาในปฏิบัติไม่ถูกไม่ชอบแต่วิธีที่จะเตือนเขาเตือนกันแบบนี้ เพราะว่าความเราเห็นว่าท่านทำไม่ดีท่านทำไม่ถกูตกตามธรรมดาของคนนะลูกหลานที่รักมันก็อาจจะมีการชั้งเผอไปไม่ได้บางทีการสันเริญเย็นยอมันก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นนั้นว่าเอาอยางงี้ก็แล้วกันเขาวิธีเตือนเขาเตือนกันแบบนี้รือว่าในสมัยหนึ่ง มีนายทหารคนสนิทของท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพวางแผนการผิดนายทหารคนสนิทเป็นคนตรวจตราผูมิประเทศและกำลังของข้าวศึกแต่ว่าท่านแม่ทัพเชื่อเสนาธิการทหารมากเกินไปเสนาธิการทาหารพวกนั้นก็เป็นคนสุกเอาเผากิน นั่งยกเมคอคำนวณกำลังข้าศึกอยู่บนโต๊ะหรือว่าอย่าในสมัยนี้เขาเรียกว่านั่งยกมค์คำนวณกำลังข้าศึกอยู่ในห้องแอร์โดยไม่ได้เห็นความจริงอะไรทั้งหมดและปรากฏว่าการวางกำลังการวางแผนการผินดานายทหารขุนสนิทเห็นว่าถ้าท่านแม่ทับสั่งไปตามนั้น เราจะเสียทีแร่ค่าสึกจะเสียกำลังคนและในที่สุดก็จะเสียแม้แต่กำลังของประเทศก็เป็นอนุวาท่านนายทหารคนสนิทผู้นั้นได้กลาบเรียน ท, ท่านแมทธบว่าท่านครรับการวางแผงการรบเอาอย่างนี้จะดีไหมครับอธิบายที่เหตุที่ผลก็ละเอียด ท่านแม่ทัพอธิบายฟังคำอธิบายเขาในทหารขรสนามเห็นชอบโดยจึงได้ตกลงตามนั้นแล้วท่านน า, ายทหารขรสนามูนั้นก็ที่พูดกับคนอืน่นว่าท่านแม่ทัพนี่ท่านเป็นคนเฉลีลาดมีความสามารถผลงานที่สําเร็จขึ้นมาได้ เ, เขาก็อาศัยปัญญาของท่านแม่ทัพแค่นี้เขาจะยกเรื่องตัวเอง กลับยกย่องท่านผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้ท่านผู้บังคับบัญชารักท่านนริสดเขาก็ได้เป็นเสนาธิการทหารนี่พระวสิตราเนกล่าวว่าป่าเป็นเอกเลขเป็นโทโลกรลามที่รักทำแบบนี้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนผู้ใหญ่ก็ไม่เสียเราก็ได้ดี ดังนั้นการที่ราชาจะให้นอนชายให้เป็นเสื้อกินเป็นคนต่อไปก็เพราะว่าเป็นคนปากไม่ดีจริยาอย่างนี้ขอลูกหลานที่รักจงอย่าเป็นเยี่ยงอย่างปฏิบัติอย่างนายทหารขงสนิกของท่านแม่ทัพคนนั้นแล้วภัยอันตรายจะไม่มีสำหรับเราเราจะได้ดีแล้วก็มีความสุขเมื่อท่านผู้ใหญ่ท่านดีเราก็พลอยดีด้วยช่วยกันดี เมื่อคุกันต่อไปนพระราชาก็ากล่าวว่าบรรดาพระสหายของขา้าพเจ้าชื่อว่าท่าโทนทโนเซคาโมารซึ่งเป็นส า, ช า, ววช า, ายช้ากับข้าพเจ้าเมื่อยังสมัยที่เป็นเด็กจะเป็นไหนเดียวเดีวยวโดพิกหน้ากันได้ก่อนเมื่อยังสมัยที่เป็นเด็กเราเป็นเพื่อนสนิทกันเล่นโหรด้วยกันบัดนีข้ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เขาก็ยังมาเล่นหัวกับเข้าไปเจ้าเกินขอบเขตไม่รู้จักกาละเทศะเข้าไปเจ้าอยู่สองต่อสองกับนางนันทาเทวีในที่รับเขาก็เข้าไปหาเข้าไปเจ้าโดยไม่ได้เรียกหาเป็นการเสียมัญ่ญาติอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ลูกหลานที่รัก การัโยรู้จักการการที่จะเข้าหาบุคคลต้องเลือกการเลือกสมัยว่าการนี้เป็นการสมควรไหมถ้าเขายังมีงานติดพันอยู่ไม่สามารถจะละงานได้ยังไม่ควรจะเข้าไปหาเขาแล้วก็เวลาใดที่เขาประกาศไปว่าเขาไม่รับแขกเวลานั้นจงอย่าเข้าไป อย่างกับพระสงฆ์หายเขาไม่เจ้าพรจุนนท์พระมาทยคนนี้ทําการทํางานเกินพอดีไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยคนที่ถูกด่าถูกว่าถูกพ น, นามว่าเป็นคนเลวก็เพราะขาดการรูก้การรู้สมัยเรื่องนี้เขาดาลูกหลานที่หลายทั้งหลายจงจําใส่ใจไว้ว่ามันเป็นความเลวอย่าถือแต่กําลังใจข้งตัวเองเป็นสาคัญ ไม่ว่าในสำนักงานของต้องปูกก็เหมือนกันก็มีคนหลายคนบางทีต้องปู่แบ่งงานเวลาไว้ว่าตอนเช้าทำพารกิจสำรับวัดเวลาบ่ายหนึ่งโมงถึงบ่ายสี่โมงครึ่งรับแขกหลังจากนั้นพระทำวัดสวดมนต์เวลาเย็นเวลากลางคืนเวลาสิบเก้านาิกาสามสิบนาทีลงสอนพระกรรมฐานถึงเวลาดึก แต่คนบางคนมาถึงเขาก็เล่งรัฐเพราะเขาต้องการจัตุรัสโดดเขาจะไปแต่เช้าเขาจะรีบกลับคนประเภทนี้หลวงปู่ถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดที่ไม่ควรจะเขาหาสมาคมยิ่งไม่ยอมลงไปพบแต่ว่าในที่สุดเขาก็รอถึงเวลารับแขกเมื่อถึงเวลารับแขกลงไปเขาต้องเทตกันมหาราชดากราด ให้รู้สำนึกตนเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ใช่ไม่มีใครก็ไม่เป็นพ่อล้งปู่แล้วล้มปู่เกรงใจอสองคนคือพ่อกับแม่เวลานี้พ่อกับแม่ท่านก็ตายไปแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพ่อกับแม่ของลง้มปูน่นี่ท่านเป็นคนดีท่านเห็นว่าเรายังมีภารากิจอยู่ท่านก็ไม่ใช้สอยไม่เด้ใช้นี่พ่อกับแม่ท่านยังทําอย่างนี้ และคนพวกนี้ไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ของหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่เกรงใจเขาเพราะคนเลวๆนี่ถ้าเราคบหาสมาคมด้วยเราก็เลวไปด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาเสว น, นาจะพาลา น, นังว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคบคนชั่วปัณฑิตานันยะเสว น, นาจงคบแต่คนดี ผูชาจะผู้ชนิยา น, นังคนผูชาบ่าคนที่คนผู้ชาเอตมมังคะมตตมังขึ้นชื่อว่าเป็นอดุมมงคลขึ้นชื่อว่าคนเลวอย่างนั้นลงไปแล้วเราก็ต้องจัดการกับเขาถ้าเขาจะโกรธกลกับไปไม่มาพบเราอีกเราจะพอใจมากเมื่อกลายพบว่าคนเลวมีแต่ความหายันะ์เทาเขาเป็นคนดีมีบัญญาติ วันดีบางทีเป็นค้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นพลเอกก็มีแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่เวลาจะมาหาเพราะก็รู้เวลาเขายกคอยทันทีถ้าพระอยกเข้าขมาตามเขาก็บอกว่าอย่าเลยหลวงพ่อกําลังมีงานหรือว่าเวลานี้หลวงพ่อพักผ่อนอย่าไปรบ ก, กวนท่านนี่คนดีเขาเป็นอย่างนี้ ลูกหลาจนจีจคนจำไว้เรื่องการเวลาเป็นของสำคัญอันตรายมันจะเกิดกับเราได้ให้ขึ้นที่ว่าคนเลวจงยาคบเด็กขาดคำว่าไม่คบเป่หมายความเราอาจจะคุยกับเขามีงานบางอย่างเราอาจจะทำกับเขาถ้างานนั้นเป็นงานดีเราทาด้วยช่วยทำถ้างานนั้นเป็นงานมันดีเป็นเวลาที่เขาช่วยเราไม่เอาด้วยแล้วการเดินร่วมจงยาเดินร่วมโดยเด็กขาด เพื่อาการเดินร่วงกับคนชั่วก็ไม่ต่างอะไรกับเอาใบตองไปห่อสุนัขเนา่าความจริงใบตองสุนัขเนา่าไม่ได้ซึมเข้าไปในใบตองความเนา่าแต่ว่าเวียงสุนัขเน่าไปไอ้กลิ่นเนาาเ่ามันยังติดไปตองฉันใดแมอเราสามสาสมาคมสังคมกับคนชั่วถึงแม้ว่าเราไม่ชั่วชาวบ้านเขาคิดว่าเราชั่วไปด้วยเราก็กลายเป็นคนเลว เป็นคนไม่เหมาะสมกับสังคมอันนี้ลูกหลานที่รักฟังแล้วจำจำแล้วปฏิบัติตามต่อไปพระราชาก็กล่าวว่าถ้ายังไม่พอก็เยอะส่งรามเกวัดให้นางผีเสื้อสมดกินท่านนี้ก็ท่านให้เหตุผลว่ารามเกวัดนั้นขณะลืมตาดูเข้าไปเจ้าในถ้ำกลางบริษัท ทำเป็นเหมือนขัดเคืองข้าวเจ้ามาแสดงความมีอำนาจทะลึงตาไม่มีแววแห่งความจงรักภักดีต่อข้าวเจ้าเลยด้วยเหตุนี้แหละแม่คุณเจ้าข้าวเจ้าจึงส่งคนเหล่านั้นให้ไปเสื้อสมุทรกินหมายความส่งพรามพราหมกีวัดให้ไปเสื้อสมุทรกินนี่เรื่องสายตาก็มันเครื่องมีความหมายสําคัญ เราจะไปที่ไดนก็ตามเขาจะดีเขาจะชั่วถึงเขาไปจะของที่เวลาที่เราจะพบซึ่งกันและกันควรทำตานีๆดีใช้สายตาสดชืน่นถ้าได้เร่งความเป็นมิตรแม้ว่าจิตเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนเหลวเรีว่าน้ำคุณเอาเก็บไว้ข้างในน้ำใสไว้ข้างนอกตำโบราณธนว่า เําว่าน้ำขุนไว้ข้างในหมายว่ากําลังใจไว้เอาใจของเราที่เราไม่ชอบเขาเก็บเอาไว้ในความอดทนในความอดกลั้นที่เรียกกันว่าขันติคือความอดทนแต่การแสดงออกทางตาก็ดีทางกายก็ดีทําสมมือนว่าเราเป็นมิตรทําจิตอย่างนี้ไม่ใช่เราหลอกลวงแต่เพื่อเป็นการรักษากําลังใจของเรากิจจริยามันยาิ และบริการในสองมันอาจจะช่วยให้เราทรงชีวิตอยู่ได้นานลูกหลานจนจำไว้ต่อไปนามเพรีปริภาาัยกายินดีทูนถามถึงโอโหสุดว่าขอถวายสักพรทรงทรงมีหมู่หมาดแว่ร้อมเป็นบริวารทรงเป็นมหาราชมหาราชาธิราชในสกุนชมโพทวี ทรงเป็นเอกอาคาราตทรงเป็นเอกราชในปตัตภีมีอิสรยิยยศใอีมีอิสรยิยยศไทยโบนาทรงมีพระสนมนารีซึ่งได้มาจากเมือตงต่างๆราวหนึ่งหมืนหกพันนางแต่ด้านนางงามโดดจะเทพในกัญญาพระองค์จะทรงเปี่ยมไปด้วยความสุขทุกประการที่ชาวโลกแสวงหา เมื่อเป็นเช่นนี้แ่ไหนพระองค์จะทรงเสละพระรา ช, ชนันพระชนาชีพอันแสนสุขของพระองค์เพื่อรักษามโหสดผดิตแน่ถ้อยคำของเธอในฉนาลาดจริงๆสงคุณในการยกย่อง ส, สรรเสรนญใหเจ้าจนรนีพัญญาคุณค่าของมโหสดว่าค่าแต่แม่นางเจ้า ตั้งแต่โมโหสถมารับราชการกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เห็นมโหสถบัณฑิตทำชั่วแม้แต่น้อยเลยถึงหากมรณกรรมจะเพึงมีกับข้าพเจ้าในวันหนึ่งโมโหสถก็จะคุ้มครองโอรสตนัตดาตลอดจนทําบรมวงศสาวนวงศ์ข้าพเจ้าให้ได้ให้มีความสุขสิ้นไปมโหสถเป็นคนที่มีประโยชน์ทั้งปวง ทั้งเป็นทั้งที่เป็นในอดีตอนาคตและปัจจุบันด้วยเหตุนี้ค่าพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมส่งมโหสถบัณฑิตผู้บริสุทธ์ไปให้แก่พีเสื้อสมุทรกินไปอันขาดนี่มันสมองอย่างนี้ลูกหลานที่รักควรจะจดจำไว้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาเลิศ พระเจ้าจ น, านันทพระมทัตนี่เป็นพระราชาที่ดีที่สุดท่านนี้ก็หมายความว่าเป็นพระราชาที่น่าสรรเสริญมีพระสติปัญญาสามารถเฉลี่ยฉลาดเป็นคนมีเหตุมีผลแต่ว่านางานในการก่อนที่พระเจ้าจุ น, นันทพระมทัตพลาดทรงก็เพราะสายความเกวัตเป็นคนไม่ดี ที่นำหรือว่าชักนำไปในทางที่ชั่วทำให้ไว้เจ้าจุนนีคป็มาทัยเกือบจะเสียตัวเกือบจะเสียชีวิตนี่ลูลกหลานที่รักการครบมิตรเป็นของสำคัญองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสนาจึงได้ส่งแนะนำว่าจงอย่าคบมิตรชั่วเวลานี้ในประเทศของเราก็รู้สึกว่าจะยุ่งยเพาการคบมิตร มีกำลังจิตที่ไม่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาโฆษณาคนดีทําลายเสียให้ชั่วแต่คนที่ช่วจริงๆบางทีอาจจะกลับได้ยกย่องส่งเสริทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ากำลังใจของบุคคลคนนั้นไม่ประกอบไปฏิธรรมคือความดีความจริงเรื่องราวของมโหสถนี้แล้วก็จบก่อนวันนี้นะ แต่ว่าเวลานี้มันกล้จะจบเต็มทีเวลาเหลือสิเอ็ดนาทีไม่แต่ว่าเรื่องมันจะจบแล้วทําไมคุยกันต่อไปท่านตามข้อคนบอกว่ามโหสถได้รับยกย่องว่าเป็นยอดมหาบัณฑิตตอนนี้พระเจ้าจุนนีสมทัศถตทรงยกย่องเกียรติของมโหสถให้ปรากฏเพระดูดยบุคคล พยก ม, น, มนทนแห่งโดนจันให้ปลายกดเะนั้นพระ น, นามเพรีปริภัยิกาได้นำพระราช ด, ดำรัสขวัญเจ้าจุนนีธรร่มทธั์ไปแจ้งมโหสถทราบจนมโหสถหมดความแคลงใจต่อมาเมื่อ น, นานจะสังเสริยุกย่องมโหสถนานจะได้พูดในถ้ำกลางประชุมชนว่า ปัญญามีประโยชน์ใหญ่หลวงสุขุมละเอียดสำเร็จประโยชน์ทั้งในภพนี้และในภพหน้าดังเช่นมโหสถซึ่งเปน็นยอดมหาบัณฑิตมีประเสริฐชนี้อันก่าเป็นบาลีว่านัตถิปัญญาสมาอาภาขึ้นยื่ว่าสว่างใดๆจะเสมอได้ปัญญาไม่มี ปัญญาณารานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วขนเรชนทั้งหลายปัญญาหิเศธากุศลลาวันติราท่านหลายกล่าวว่าปัญญานั่นแหละประเสริที่สุดเป็นอันว่าเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตได้กล่าวว่าจบก็จบลงตรงนี้ แต่เวลานี้ลูกหลานที่รักบ้านเมืองของเรากําลังอยู่ในระหว่างอันตรายเพเวลานี้เสือร้ายสามตัวกําลังจะ ก, กัดกินเนื้อร้ายคือประเทศของเราประเทศของเรานี่มีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือคนไทยไม่ยอมเชื่อคนไทย ในเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่านามมีนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้พากันมานั่งบนว่าความสามารถของคนไทยมีแต่ไทยไม่เชื่อไทยแต่ไม่ยอมให้คนไทยทําอย่างทรัพยากรทั้งหลายของประเทศไทยนี้รูปหลานที่รักหลวงปู่ขอเปิดเผยความจริงบางส่วน ว่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างน้ํามันเป็นน้ํามันในประเทศไทยเป็นอ่างที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีทรัพยากรที่มีความสําคัญอย่างแร่แร่ยูเรเนียมซึ่งเป็นของที่มีราคามากที่สุดมีเกินตลาดในประเทศไทยและก็ยิ่งกว่านั้นทรัพยากรทางหลายที่เป็นสิ่งที่มีค่า ม, มากมายเยอะแยะ เป็นอนวาสาิ่งทั้งหลายเหล่านี้หลวงปู่เคยบอกไว้แล้วว่าดาวเทียมที่เขาสืบความลับถ่ายภาพเอาไปกินหมดประเทศที่มีความสำคัญเก่งในด้านวิทยาศาสตร์เขารู้หมดว่าในประเทศไทยมีทรัพยากรเหลือหลายถ้านำขึ้นมาได้แล้วประเทศไทยจะเป็นมาเป็นประเทศที่เป็นมหาเจ้าเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก แปลว่าเป็นที่น่าเส่นดายคนไทยได้วยกันเราจะได้ยินข่าวอยู่เสมอๆว่าสิ่งใดก็ตามถ้าคนไทยที่มีความสามารถทําได้แต่ไทยก็ไม่ยอมใช้ให้คนไทยทาอย่างเรือรบนี่เราทําเป็นแปลว่าผู้มีอํานาจบางท่านไม่ยอมให้คนไทยทําทั้งนี้เขาลือกัน ว่าถ้าจ้างต่างประเทศทำแล้วก็จะได้เงินพธธิเศษเปนเปอร์เซ็น์อันนี้หลวงปู่ก็ไม่ทราบเมื่อทราบในภายหลังว่ามีเลือยู่สามลำที่เรียกาาต่อกันคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่บอกว่าไม่สามารถแต่ว่าคนมีตำแหน่งหน้าที่เล็กยอมรับทม หลวงปู่ก็ทราบความสามารถของคนไทยเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระใครๆเขาคิดว่าพระนี่คงไม่ปากบอนแล้วเขาก็พาไปดูความสามารถที่เขาทดลองทำกันในเมื่ออเมริกันถอนความช่วยเหลือจากไทยตอนนั้นเราเกลอบจะสิ้นใจตาย พ่ออะไรเพราะว่าถ้าข้าสิบตีเวลานั้นเรายับเยินแน่เคยไปถามทหารจุดหนึ่งถามก่าสวนปืนใหญ่มีเท่าไหร่ก็บอกว่ายิงใน้หกวันก็หมดไปถามจุดต่างๆก็าสายหน้าไปตามๆกันคนที่เขาให้อเมริกันออกไปเขาบอกว่าไทยจะได้มีอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าว่าวันหนึ่ง น้องปูฟังวิทยุว่าพลเอกเล็กแนวมาลีมีนักสื่อข่าไปถามว่าประเทศเราเป็นประเทศใหญ่กว่าประเทศคำเหรททำไมจึงให้คำเหนมารุกรานเราท่านพลเอกเล็กแนวลีได้สัมภาษณ์ว่าเขาเล็กแต่ว่าเขามีลูกพี่เราใหญ่แต่ว่าเราไม่มีลูกพี่จุดนี้เป็นที่สะดุดใจอยู่นิดน้องปูก็คิด ว่าสมัยนั้นอเมริกันเขามีโลภีทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้แต่เวลานี้เขาไฟเขาไม่ให้เราสั่งซื้อของแต่ละอย่างอย่างเครื่องบินสองฝูงกว่าจะได้ก็ต้องสองปีถ้าเกิดการรบกันขึ้นทั้งทีเราจะทำยังไงเราก็ไม่มีของใช้แต่ว่าเป็นที่น่าปลื้มใจว่าคนไทยของเรา ไทยไม่กองศีธิยาไม่สิ่งคนดีทั้งนี้เพราะอะไรว่าคนดีของเราก็คิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้ที่พูดเม่กี้ว่ารุกป็นใหญ่เมื่อเมริกันไปเรายิงไม่เกินหกวันไม่ใช่หมายถึงกองทัพ บ, บกเป็นทาหารจุดหนึ่งแต่สำหรับกองทัพ บ, บกกองทัพเรือกองทัพอากาศ ร้ากฏว่าในเมื่อเขาทิ้งต่างคนต่างเขาคิดต่างคนต่างเขาทำจนถ้าเวลานี้เราทาอะไรได้หลายหลายอย่างที่ผู้ใหญ่สมัยนั้นไม่ยอมให้ทำหลวงปู่คิดว่าถ้าประเทศไทยเรามีทรัพยากรมากอย่างนี้แล้วคนภายนอกเขารู้แต่ว่าคนไทยที่รู้ก็มีมาก แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ยังคิดว่าคนไทยไม่มีความสามารถร้องโผก็หนักใจหวังว่าลูกหลานที่รักท่านหลายที่กำลังรับฟังก็คงจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีอำนาจในการบริหารประเทศในวันหน้าหรืออาจจะเป็นวันนี้จงใช้ปัญญาพิจรนารณาดูให้ดี ฝึกฝนคนไทยที่ให้มีความสามารถและใครที่ก็มีความสามารถร่วรัฐนะเขามารวมตัวกันเขาไว้เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่างประเทศคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็ทำได้แล้วต่างหลายอย่างแลเรื่องทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ยูเรเนียมโนโปรู้จักคน เคยเชิญเข้ามาถามก็บอกว่าเขาสา ม, มารถทำได้แต่ว่ากระแสไฟฟ้าไม่พอเรื่องนี้มันไม่หนักและวรการดีสองเรื่องไก๊ก็ดีชื้อน้ำมันก็ดีวัตถุธาตุที่มีค่ามหาศาลก็ดีหลวงปู่ทราบจากภาพที่เขาถ่ายจากดาวเทียมเขารู้จุดหมดว่าสิ่งนั้นไหลแล้วนี่มันไหลามาจากทิเบต แล้วมันก็ไม่ไปโยนมันก็ไม่ไปพมา่ามันไหลเข้ามาโยนในโอของไทยไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเป็นสเัยกยรกมมากมายด้วยกันมีค่ามหาศาลเป็นว่าถ้าคนไทยโลกหลานที่รักจงสามัคคีกันไว้จเจ้าถ้าชาติไทยไปขายให้แก่คนอื่นเรื่องรัฐทการเมืองไม่มีความสำคัญ ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องแปล่มันดีเองเราปกครองกันแบบนี้มานานเรามีกษัตริย์สมัยนั้นกษัตริย์มีอำนาจมากที่สุดแต่กษัตริย์ก็ไม่ใช่พระราชอำนาจตามพระราชอธิยาสายมีการประชุมกันเป็นอันว่าที่ยายกล่าวกันไปแล้วก็ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยมานานแต่เราไปเรียกกันผิดเรียกว่าราชาธิปไตย ประชาที่ประายสมัยนั้นเขาใช้คนที่มีปัญญาจริงๆไม่ใช่ดึงเอาตาสีตาสาอะไรเข้าไปนั่งพุ้ยในสภาเอะอะโวยวายรู้สึกว่าความหมายไม่พอมีค่าไม่พอกับเงินที่ให้เฉพาะบางคนแต่บางคนก็มีค่าสูงฉะนั้นขอบันดาโลหลานที่รัก จะมาต่งภาพความสามารถในการงานในการศึกษาศึกษาให้ดีในว่าช่วยกันตั้งหน้าตั้งตางรักษาทรัพย์สมบัติของประเทศไทยไว้อย่าแต่สามะขีกันอย่าเชื่อใครว่าลทัทธิทั้งหลายใหม่ที่จะเข้ามามันจะดีฉันเชื่อไม่ได้ลทัทธิไม่สําคัญถ้าคนดีแล้วก็ดีทุกอย่างลทัทธิอะไรก็ได้ เป็นนว่าเรื่องราวเมโหอสดมณิตน้องโป้ก็ขอจบไว้แต่เพีงยงเท่านี้ในทีสน่สุดแทนการธรรมเทสนาพรของค์สมเด็จตัสมารสัมพุทธเจ้าเทศจบพระองค์ก็ทรงสรุปไว้ด้วยอริยสัจเป็นเหตุให้มันดาพระสงฆ์และคนอังหลายพากันมรุกมรุผนเป็นส่วนมากเมื่อจบแล้วองค์สมเด็จพระบัณีบแก้วก็ทรงปร ะ, ปะชุมชา์ดก ว่าพระเจ้าจุนนีพรมทัตสมัยนั้นมาเกิดเป็นวาสารีบทในสมัยนี้พระเจ้าวิเทียาราชสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระกาลุทายีสมัยนี้เพือพระอรหันต์พระโหสถสมัยนั้นเป็นมาเกิดเป็นตถาคตคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรดาบริษัทและบรรดาเพื่อนๆคณะที่ร่วมทั้งหลายก็มาเกิดเป็นผู้ตรบริษัทในสมัยนี้เป็นอันว่าเรื่องราวของโอสดที่เล่ามานานเต็มทีถึงยี่สิบเอ็ดตอนถึงย2ิบสองตอนมก็ไม่ทราบสี่สิบตอนเสร็จไม่ใช่ยี่สยิบสองสี่สิบตอนเสร็จก็จบลงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีในเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเพื่อมีความปราณีทุกคนและขอท่านทุกท่าน ม, มีพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักจงมีด้ความสุขสวัสดิ์ีพัฒนานีมงคลสมบูรณ์ูนผลถ้าปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุประการสวัสดี